วันนี้วันเข้าพรรษาที่จริงไม่เกี่ยวอะไรกับโยมวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยโยมมาบูชาเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระเหมือนอย่างสร้างโบสถ์เนี่ยงานยกช่อฟ้างานของโยมไม่เกี่ยวกับพระ งานฝั่งลูกนิมิตเนี่ยเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับโยม <c oughs> เป็นเรื่องต้องททตามระเบียบแบบแผนองพรตนี่เขาชอบเอาสองงานมารวมกันยกชอบพระฝังลูกนิมิตมีมหอรสดสมโพธแต่ละวัดเขาดิน้นรนเพื่อปวามอยู่รอด เดี๋ยวนี้คนใส่บาดก็น้อยลงอย่น้อยในหมู่บ้านนี้คนที่ใส่บาดก็ตายไปคนหนึ่งแล้วส่วใหญ่นคนแก่คนหนุ่มคนสาวไม่ได้ใส่บาดออกชเช้าขึ้นมาก็รีบตะลีตะลานไปทำงานพระก็เยอะขึ้นเรื่อย กุฏิเพิ่มอีกสี่ห้องแล้วทำเสร็จน้นป ร, ระสานก็จะมาบวชฉลองประสานกับทีมสีส่คนไม่ได้ทำไว้รับพระมากมากที่นี่สูงสุดที่รับได้สิบแป อาสนะนี้ทำไว้นั่งได้ยี่สิบสี่แต่เดิมพระในวัด น, นี้มีน้อยนะก็พระคัตุ ก, กะมาฉันข้าวว่านั่งด้วยกันในนี้พระในนี้เยอะพระคัตุ ก, กะก็ฉันข้างนอกดูท่านพอใจนะท่านไม่ต้องลังบาต <laughs> สบายหัวเตา เราค่อยๆปรับไปตามสถานการณ์อย่างเคยมีนะเจ้าหน้าที่พอ อ, อสํานักพุทธอะไรนเงนี้ยเคยมาหาหลวงพ่อที่เนี้ยบอกว่าวันหลวงพ่อเนี้ยทํางานเผยแพร่ เข้าขายจะขอเงินสนับสนุนจากทางราชการได้จากสำนักพุทธหลวงพ่อบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขอตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเงินทอนนะแต่เราเป็นโรคไม่เอาเงินใครอยู่แล้วพวกเรามาเรียนเรามีตังคนไหนมีตังหยอดตู้เท่าที่ ทำพอใจจะทําทูกอย่างเามาใช้ใจ่ายสร้างวัดเผยแพร่มาจากเงินที่เราสละส่วนเกินของเราตามความพอใจคนไหนจนไม่ต้องข้าวก็มีให้กินฟรีหนังสือก็มีแจกไม่ไม่ต้องเสียสตังค์หลวงพ่อก็เลยบอกสํานักพุทธไปบอกว่าไม่ต้องมาของบให้หลวงพ่อหรอก หลวงพ่อทำงานเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วเนี่ยใช้เงินไม่มากหรอกเราเผยแพร่ด้วยซีดีแผ่นหนึ่งสามบาทเองนะใช้อินเทอร์เนต็ตใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากเท่าไหร่งั้นไม่ต้องเอาเงินมาช่วยวัดเราไปช่วยวัดที่เขามีความจำเป็นดีกว่าก็บุญนะที่เราไม่เอาของใครเนะี่ย ทุกวันนี้รอดมาได้ก็เพราะไม่เอาเนี่แต่หนแต่ไรมนะละ <c oughs> เมื่อค่อนคนมาใส่ร้ายเรา <c oughs> โกงเงินวัดอนะไรอย่างนั้นไม่กลัวดีเใสไอมาสอบนะที่นี่ที่นี่ไม่เหมือนบัดบางแห่งทีาเอาบังเกอร์อะไรมาตั้งไม่มีดีเอสไอมาเปิดประตูให้มา มีอะไรก็ามานั่งคุยกันเขาก็บอกนะก็ามาตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเขามีให้ดูทรัพย์สินของวัดเนี่ต่อไปนี้ตอนนี่ามาดูหลักฐานเอาหลักฐานของคุณไม่ครบเรายังมีที่อีกแปลนงอยู่ฝั่งโน้นไม่รู้ใช่ไหมเออบอไม่รู้ไม่รู้รู้ไว้นะจดเอาไว้เอาให้ครบครบนะ ขอดูรายรับรายจ่ายคุณแม่นะทำละเอียดทิพย์เลยซื้อสายยางซื้อไม้หนึ่งไม้หนีบเลยในวัดนะมอบมอบอะไรเนี่ยต้องมีบินถ้าไม่มีบินใจเองตอนเดีไใส่มานะสีหลอกใบเสร็จถุงขนาดนี้ถุงอ๋อกนี่เนี่ยหลักฐาน เจ้าหน้าที่ตาคางไปดูสักกี่เดือนเนี้ยจะหมดไม่เห็นต้องกลัวเลยถ้าเราไม่มีแผลเราไม่กลัวใครไม่กลัวแล้วเราก็ไม่ได้อยากเอาตังค์ใครเงินที่อยู่มาได้สบายทุกวันนี้นะไม่ต้องติดปัญหาเงินทงเงินทอนของคนอื่นเ้าเนี้ยเพรา ะ, ะนันจริงเราไม่เอา ง่ายๆแค่นี้เองคนมาที่นี่ก็เท่าเทียมกันคนที่มาที่วัดของพ่อมาเรียนเนี่ยมีสองชนชั้นเท่านั้นนั่งเสือกับนั่งเก้าอี้นะพวกนั่งเก้าอี้เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นคนชราของพวกใี่นั่งพื้นเนี่ยพวกยงังแข็งแรงอยู่ ทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีนะว่าคนนี้ใกล้ชิดอย่างเงี้ยบางคนพยายามทําตัวว่าใกล้ชิดหลวงพ่อหนูไปหาหลวงพ่อตั้งแต่สวนพูนะโพทํากระแดกระแดดมาไปหาตั้งแต่สวนโ พ, <laughs> นพอยากจะโชว์ว่าเก่าแก่หลวงพ่อก็เลยย้อนเลย โอ้เรียนตั้งแต่สวนโพป่านนี้ได้แค่นี้เองเหรอจอยไปเลยนะมาเรียนธรรมะนะมาเรียนเพื่อล้อนละ ก, กิเลสเอาออกไม่ใช่เอาเข้าไม่ต้องมาเป็นเจ้าของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใช่พระชนิดที่ชอบให้ลูกศิษย์เจาะแจ๊กพระที่อยากให้โยมเจาะแจ๊กมีเยอะนะชอบเจาะแจ๊กเจาะแจ๊กไปเรย สุดท้ายศึกไปบ้างอะไรบ้างทีไม่ศึกก็เสียผู้เสียคนไปหลวงพ่อประยมมีช่องว่างเชื่อไหมเนี่ยกี่เมตรมีช่องว่างนะไม่มีใกล้ชิดหมดเวลาสอนแล้วหลวงพ่อเข้ากุฏิแล้วทั้งวันไม่ออกใหม่อีกแล้วอยู่กุฏิ คนที่เข้ากุฏิหลวงพ่อได้มีคนเดียวคือครูบาอาหลวงอามีคนเดียวคนอื่นไม่ได้ไปแต่ทังพระนะพระเป็นเวลาที่ไปภาวนาเอาไม่ใช่เวลามายุ่งกับหลวงพอ่อไม่ต้องมาขอยยุ่งพวกเร า, าเหมือนกันมาเรียนเรียนเสร็จแล้วเชิญกลับบ้านไม่ได้บอกเชิญไปเที่ยวนะบอกให้เชิญกลับบ้านรีบไป ในพักให้หายเหนื่อยแล้วภาวนาชีวิตนี่มีจำกัดประมาณสามหมื่นวันอายุเฉลีย่ยสามหมืนวันเท่านั้นไม่เกินนะถึอค่าเฉลีย่ยบางคนก็เกินบางคนก็ไม่ถึงสาม0มื่นวันก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีสาม0มื่นวันเนี่ยเอาไปนอนสิหมื0นวันนะ ถนอนวันละแปดชั่วโมงห น, นึ่งในสามงนสามหมื่นวันเนี่ยเหลือเวลาที่ตื่นอยู่สองหมื่นวันสองหมื่นวันเอาไปเรียนหนังสือกัเอไปทำงานใช่เยอะแล้วเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวแล้วยังจะมาคอยวิ่งตามอาจารย์วิ่งตปวัดน้นวิ่งไปวัดนี้นไร้สาระที่สุดเลยเวลานี่มีค่ามากนะชีวิตเราจริงๆมีเวลานิดเดียว หมดแล้วก็หมดกันแล้วที่สําคัญไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่งั้นเวลาที่ผ่านไปเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งเมื่อวานเขาสอนให้หายใจมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปมีความเพียรอยู่มีการปฏิบัติทำอยู่ตลอดเวลาอย่าทิ้งเวลาให้หมดไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาส่วนใหญ่เราเอาเวลาไปทำมาหากินนะไปเรียนหนังสือไปทำมาหากินนี่ลงทุนเพื่อจะอยู่กับโลกแต่อยู่ได้ไม่นานเราก็ต้องไปจากโลกทำมาหากินได้เงินมาเยอะก็ไม่ได้เอาไปใช้หมดสุดท้ายก็เป็นของคนอื่นอีกอะไรที่จะติดตัวเราในเวลาที่นิดเดียวนี้แหละเหลืออยู่นิดเดียวนี้แหละ หาสมบัติติดตัวเราไปให้ได้สร้างบุญให้มากศนะีล ส, สมาธิปัญญาเจริญเข้าไปบางคนบุญบา ร, รมีเก่าเยอะฟังทำนิดเดียวเขาก็เข้าใจแล้วบางคนฟังนานไม่เข้าใจก็ อ, อดทนดูของจริงไปอย่ามาหวังว่าฟังหลวงพ่อเทศแล้วจะปิ้งขึ้นมาได้เองนะต้องมีสติ รู้สึกกายรู้สึกใจดูของตัวเองไปเรื่อยๆบางคนก็เข้าใจธรรมมาขึ้นมาในระหว่างที่เทศระหว่างฝังเทศอย่างนั้นก็มีบางคนก็กลับบ้านไปแล้วไปพาวนาแล้วเข้าใจขึ้นมาก็มีแต่คนที่เข้าใจขึ้นมาเนี่ยล mm hmm. ือแต่พวกเอาจินเท่านั้นเลยพวกเอาจริงเอาจังภาษาเนี้ยเอาจริง คุณมาลีหมอนัดอนะไพวกนี้เอาจริงนะคุณแม่หลวงอาอะไรพวกนี้พอ่อนากันจริงจังไม่มีข้อห้างว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัตินั่งฟังธรรมอยู่ก็ดูกายดูใจตัวเองไปเรื่อยนะคอยรู้สึกตัวไม่นั่งเหม่อไม่นั่งใจลอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆพอกระแสธรรมะ ม, มันกระทบใจนะ ถูกกับจริตของเราถูกกับความเข้าใจจิตใจที่เราสะสมมาในมุมนั้นความเข้าใจก็เกิดขึ้นงั้นบางคนได้ธรรมะในขณะที่ฟังธรรมบางคนได้ธรรมะขณะแสดงธรรมมีนะขณะแสดงธรรมหลวงพ่อพุทธทานิโยเนี่ยนะดูประวัติท่านจะรู้ว่าท่านต้องใช้คำว่าอะไร หรือท่านบอกท่านล้างกิเลสได้หมดอ่ ะ, ะ mm hmm. ล้างกิเลสได้หมดบนธรรมะนั่งเทศอยู่เทศเทศเทศไปในขณะที่เทศเนี่ยจิตถ่ายทอดธรรมะไปเรื่อยไม่เฉพาะพวกเราได้ความรู้นะผู้ที่เทศอยู่ก็ได้ความรู้เนี่ความประหลาดอยู่ตรงเนี้ยไม่เหมือนปริยัตปริยัตเนี่ยคนสอนนะต้องรู้ก่อนแล้วามาสอนในภาคปฏิบัติเนี่ยมีแบบนี้ด้วยว่าความรู้ ของผู้สอนเกิดขึ้นในขณะที่สอนนั่นเองเป็นเรื่องอัศจรรย์นะความรู้ความเข้าใจตัวเนี้ยไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจไม่เคยคิดมาก่อนเลยธรรมะอย่างเนี้ยถึงเวลามันถ่ายทอดออกมาเฉยๆเลยว่าจิตนี้เป็นตัวรู้เป็นาธาตุรู้มันถ่ายทอดธรรมะออกมาได้ถ้าจิตมีคุณภาพพอศีล ส, สมาธิดีอะไรนี้นะปัญญามัยถ่ายทอดออกมาได้ หลวงพ่อพูดท่านบอกว่าท่านเทศอยู่นะท่านล้างกิเลสลงบนธรรมะเลยจิตรวมปุ๊บลงไปนะแล้วถอนทันทีกระบวนการล้างกิเลสเนี่ยใช้เวลาสั้นนิดเดียวจิตรวมลงไปแค่เจ็ดขณะจิตเจ็ขณะจิตนี่นะแวบเดียว น, นับไม่ถึงวินาทีเลยแวบเดียวเองถ้าบอกพอถอนขึ้นมาเนี่ยท่านรีบนึกย้อนหลังว่าเมื่อกี้เทศถึงอะไรถึงประโยคไหนแล้วแล้วก็พูดต่อเลยนะ รีบนึกทบทวนแลพูดต่อเลยท่านบอกว่าท่านพ้นทุกข์บนธรรมะเฮ้ยพ้นไปและวงั้นธรรมะเนี่ยจะเกิดกับเราตอนไหนเราไม่รู้นะบารมีเราพอตอนแหนก็เกิดตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราขาดสตินะรู้ได้เลยว่าไม่เกิดแต่ตอนที่จะเกิดเนี่ยไม่รู้ตอนที่คิดว่าจะเกิดไม่เกิดงั้นการที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็น เราไม่รู้ว่าเราจะสุขงอมตอนไหนของญี่ปุ่นเขามีซาโตริใช่ไหมซาโตริของเรามีฮานามิอะไรเงี้ยนะ <c oughs> มันไม่ซาโตริสติโซ่กันไม่ได้ขาดสติมีสติไว้นะแล้วดีในตำราของพวกเซนนะประวัติพระเซนวอาอิคิวซัง e. เคยรูยจักไหม เก่งนะอายุมากแล้วต้องรู้จักอิคิวซังเราพ่ายังเกิดไม่ทันแกนะแกเกิดยีป่ปวดนานแล้วเราไม่รู้จักนะดูแต่การ์ตูนดูอ่านหนังสืออิคิวซังบรรลุธรรมเพราะได้ยินอีการ้องเราไปนั่งฟังอีกาเช้ายันเย็นนะให้อีการ้องไม่บรรลนะุหวังว่าจะบรรลุไม่บรรลุเลยมี แม่ชีกคนหนึ่งตักน้ำจากกระบวย y คอยลาดพื้นหน้าร้อนน่ะฝุ่นมันเยอะไปลาดๆาดลาดกระบวยหักสาตุริขึ้มาแล้วของเราเราไปทำพยายามจะให้หักนะหักออกมาก็ไม่สาตุริจงใจไม่ได้ลบไม่ได้แต่ไม่ให้ขาดสติมีสติตลอดเวลาเนี่ยใจลอยแล้ว ไบอกให้มีสตินะนะนะรู้สึกไปรู้สึกไปเนี่ยถูกหลวงพ่อว่าอย่างนี้นะจำทั้งชาติเลยรู้ไหมต่อไปเนี้ยเวลาจจอย่างนี้ก็้นมาเฮ้ยนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงหลวงอก็เป็นสังขา ร, รุสตินะเกิดสติเนะนึกถึงพระสงฆ์ก็เราเกิดสติเลยนะ่ไงอยระวังตัวรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยนะต่อไปส่งกันบ้าน ใครจําเป็นก็ส่งไม่จําเป็นก็ผ่านเอาว่ามาก ร, กราบนวัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะวันนี้ตอนวันนี้ก็รู้สึกว่าครายขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ที่คุยกับหลวงพ่อคะ่ะแล้วหนูก็มาทบทวนดูก็รู้ว่าเพราะว่าใจมันอยากอะคะ่ะใช่ไปดูเธอความทุกข์ทั้งหมดนะ่ะเกิดจากอยากความทุกข์ของใจนะความทุกข์ทางใจเนะี่ยถ้าไม่มีตัณหาจะไม่มี เพร่น<ช>้ถ้าใจเรามีความทุกข์อึดอัดขัดข้องอะไรขึ้นมาไปดูอะไรอยู่เบื้องหลังมีอยากสักอย่างพอพอมันอยากแล้วมันก็ไม่ได้อย่างอยากแล้วมันก็มีโทสะก็เห็นเป็นเป็นกระบวนการนี้ก็เลยถ้าอยากแล้วได้อย่างอยากก็มีราคะ<ช>อยากแล้วไม่ได้อย่างอยากก็มีโทสะ<ช>อยากแล้วไม่เห็นก็มีโมหะในกิเลสเราหายกินอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะไปทาต่อค่ะแล้วก็ หนูมีอะไรที่ต้องหนูรู้สึกตัวเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมค่ะแต่มันธรรมดานะพวกเราอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าในขณะที่เราคิดเนี่ยจะหลงใจจะลอยไปแต่ถ้าฝึกเต็มเหนียวแล้วนะเต็มที่แล้วคิดเนี่ยขันมันคิดนะจิตไม่ลอยจิตไม่ไหลไปไหนแน่ธรรมะอัศจรรย์ค่อยๆฝึกไป ขอบพระคุณค่ะอ่ะคนนี้กลัวมากเลยอะว่าไปของหนูวันลองลองไปพุโทโธด้วยค่ะแต่ว่ามันบางทีมันจะแบบเข้าไปนิ่งค่ะเข้าไ ป, ไปอะไรนะมันจะนิ่งค่ะนิ่งรู้ว่านิ่งหให้ไปพุโทโธต่อนะพุโทโธแล้วจิตนิ่งรู้ว่านิ่งพุโทโธแล้วจิตเคลื่อนไหวรือว่าจิตเคลื่อนไหวพุโทโธแล้วรู้ทันจิตนั่นแหละถูกแล้วค่ะแล้วถ้าหนูจะ ดูไตลักษ์เนี่ยหนูดูได้ทั้งสามตัวก่อนไหมคะหรือ ว, ว่าอันนี้จางตัวขานะตาะมันเห็นเองตัวไหนก็ได้ใช่มันเกิดเองเราเลือกไม่ได้นะอย่างบางทีตาอนภาวนาอยู่เราเห็นเกิดดับเห็นราคะเกิดราคะดับโทสะเกิดโทสะดับเวลาเกิดความเข้าใจนะได้มักผลนะไปเห็นอนัตตาอย่างนี้ก็มีน ะ, ะนะมันไม่แน่หรอกว่าจิตจะไปมองมุมไหนแล้วปิ้งขึ้นมา เราไม่ได้เลือกเรารู้สภาวะเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆอยู่กับปัจจุบันแล้วเห็นสภาวะทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆส่วนความเข้าใจว่ามันจะเป็นอนิจจังหรืออนัตตามันเข้าใจของมันเองถ้าเราไปช่วยมันเข้าใจอริยมรรคจะไม่เกิดถ้าจิตเข้าใจเองนะอริยมรรคถึงจะมีโอกาสเกิด มนมัสาการขลุงพอออ่อของหนูต้องดูในมุมอนัตตาหรือเปล่าคะเหมือนเหมือนเข้าใจว่าในมุมนั้นนะคะ <popularity term. S 1> แล้วก็หนูต้องเสริมต้องต้องเพิ่มเติเมตส่วนไหนไหมคะดูจิตได้ก็ดูนะแต่ว่ากายทิ้งไม่ได้เพราะจริตของเราผสมผสานค่ะทั้งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นน ะ, ะทั้งรักสวยรักงาม งั้นตัวไหนเด่นขึ้นมาในขณะนั้นก็รู้ตัวนั้นแหล ะ, ะแล้วทุกตัวสอนธรรมะบทเดียวกันคือสอนไตรลักษณ์ต้องเราต้องการเห็นไตรลักษณ์เท่านั้นแหละค่พอค่ะพอพระคุณค่ะงานมาสการค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าคือมันเห็นทุกข์มากขึ้นนะคะแต่มันก็มียังไม่พอค่ะหลวงพ่อคือพอไม่พออยู่ตรงนี้นะจิตเป็นกลางไหม นะถ้าเห็นทุกข์แล้วยังไม่ชอบใจนะแสดงว่าเรายัางรู้ไม่พอแต่ถ้าเรารู้ไปจนกระทั่งเรารู้ว่าทุกข์นี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของชีวิตนะจิตไม่ดินน้นรนตรงที่ไม่ดิ้นรนนะั่นแหละจิตไม่ทุกข์ตรงที่ดิ้นรนนะจิตกะทุกข์ขึ้นมาหน้าที่เราก็พาจิตเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆชีวิตนี้งานหลักของเราก็คือพาจิตเรียนรู้ความจริงไป รู้้ะแต่ชาตินี้นะถ้าบุญบา ร, รมีพอก็พ้นไปถ้ายังไม่พอชาติหน้าก็ง่ายกว่านี้นะอีอ้าวต่อไปใครจำเป็นยี่สิบห้าเบอร์สิบเก้าสามสิบแปดเบอร์สิบห้าเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์สามสิบสี่เบอร์สี่สิบหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สอง เมื่อวานหลวงพ่อเรียกคนจีนก่อนเลยได้คนเดียววันนี้เรียกคนไทยก่อนแบ่งกันบ้างวัยี่สิบห้าว่ามาเลยอยู่ไหนส่วนทรัพพจน์ไม่ต้องอขอเข้ามาถือว่ารับทราบแล้วออไม่ต้องส่วนทรัพพจน์อะไรไทเราะงอะไรไม่ต้องขอบคุณอะไรไม่ต้องว่าเนื้อหามานเลยเอาย่อๆกราบน้ำมการค่ะหลวงพ่อ ช่วงที่ผ่านมาเห็นกิเลสละเอียดกว่าเดิมค่ ะ, ะดีแล้วล ก, ลก็เห็นกายมันเหมือนมีกลมๆกลวงๆอยู่ตรงกลางอะใช่มันกลวงๆ ก, กายนี่กลวงๆนะเป็นถ้าเป็นขูหาจิตอาศัยอยู่ข้างในแล้วจิตนี้ก็เที่ยวมีช่องทางออกฝุกช่องหนีไปเที่ยวเรื่อยๆสิ่งที่ต้องระวังมีนะอย่าประคองจิตให้นิ่ง ยังติดการประคองอยู่นะรู้สึกเปล่าขณเนี้เข้าไปแทรกแซงจิตให้จิตเป็นธรรมชาติปล่อยให้มันทำงานดีก็ได้ร้ายก็ได้ดีก็รู้ร้ายก็รู้นะไม่จาเป็นต้องดีตลอดไม่จำเป็นต้องรู้ตัวตลอดเมื่อกี้ใจหนีไปคิดแวบหนึ่งรู้สึกไหมนะรู้สึกไปเบอร์สิบเก้าไหนเอยเบอร์สิบเก้า ของหลูคนแรกอะติดเพ่งนะยเพ่งอยู่เนาะสการหลวงข้อค่ะก็ชีวิตประจำวันนะคะ่ะ ย, ยกใหม่ชีวิตประจำวันนะคะ่ะโดยมากแล้วก็อยู่ไม่หลงก็เพ่งสูกตรองสาอย่างหลงรู้แล้วเพ่งแต่ว่าโดยมากก็จะ เป็นการน้อยมากๆค่ะแต่สนัตรงกลาง ไ, ไม่ค่อยมีเป็นทุกคนนะแล้วเป็นก็เป็นแว็บเดียวพอเผลอรู้ว่าเผลอเนี่แว็บเดียวเราก็เพง่งเป็นทุกคนเข้าใจว่าของหนูจะหนักไปทางเพ่งมากกว่าข้างหน้าเราล่ะเพ่งมากกว่าเรา <c oughs> ของหนูเพ่งไม่มากหรอก <c oughs> เพ่งพอประมาณนิดหน่อยๆกำลังหาทาง หาทางเห็นไหมพอพูดว่ากําลังหาทางแล้วนึกขึ้นได้ว่าต้องโดนแน่เลยคเนี้ย <c oughs> รีบเปลี่ยนคือมันมั น, ม, นมันจำไหนเรากดตัวเอ ง, องไม่มีทาง <c oughs> ให้รู้อย่างที่เป็นไม่มีทาง <c oughs> คนที่พูดคำว่าไม่มีทางคนหนึ่งนะคือท่านเว่หลังมีคนมาหาท่านเว่หลังแล้วบอกว่าอาจารย์อะไรอยู่วัดข้างๆเนี้ย ประกาศว่าถ้าใครอยากรู้ทางคนทุกนะให้ไปหาแก่แกายะสอนแล้วเขาก็ถามท่านไว้หลังว่าทางของท่านไว้หลังเป็นไงไม่มีทางมีแต่เรื่องรู้อย่างที่เขาเป็นไม่มีทำอะไรสักอย่างถ้าทําอะไรขึ้นมาก็ผิดแล้วให้รู้อย่างที่เป็นรู้อย่างที่รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นงั้นใจเผลอไปรู้ ใจรู้สึกตัวก็รู้ใจเพ่งอยู่ก็รู้แล้วเราก็จะเห็นว่าเราสั่งไม่ได้จิตจะเพง่งไม่ได้เจตนาสั่งให้เพ่งเลยมันเพ่งได้เองดูออกไหมตรงนี้มันสอนใจรักเราแล้วทั้งๆที่เพ่งอยู่นะถ้าเรามองเป็นเราก็จะเห็นใจรักเพราะเราไม่ได้บังคับมันไม่ได้สั่งมันนะมันเพ่งเองหรือมันใจลอยมันคิดได้เองเราไม่ได้สั่งให้มันคิดมันก็คิดเอง เราตั้งใจว่าจะไม่คิดนะมันยังคิดเลยแน่ดูไปเรื่อยนะมันเป็นของเป็นเองนะไปดูอย่างนี้เรื่อยๆไปขสมาธิไหคะหลวงพ่อคะคิดมากคิดมากยากนานสมาธิของหนูใช้ได้ดีกว่าหมอภยัยอีกหมอภัยกำลังเ อ, อ๋อสามสิบแปดจิตแต่เดิมคล้ายๆกันนะ ๆๆคล้ายๆกันกับหมอไพรมาไพยถูกบังคับให้มานั่งตัวนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก่อนแอ บ, บไปอยู่ตรงโน้นนะนั่งหลับเราก็ไม่เห็นนะตัวนี้เออก็เห็นแล้วอาว่ามาเกล่าวบนมศสการนะคะมาส่งกันบ้านค่ะใช่พ า, าดีาที่ที่ผ่านแม่คนนี้เขาจริงใจมากเลยหัวร <c oughs> เราะอาว่าไป คือตอนดูดูจิตแล้วพอตอนรู้จะสังเกตเห็นมันมันไม่มีรูปร่างไม่มี ม, ม, มันเบาค่ะใช่แล้วพอมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเหมือนเหมือนหลงไปนานแล้วไปดึงกลับมามันเป็นเพ่งก็รู้ว่าน้ำหนักมันมีก็คงไม่ใช่ใชแล้วพอไปรู้อีกทีก็เห็นอี ก, ก้อนนี้มันอยู่ข้างหน้าอ่ะ<ม>แล้วก็เออช่วงที่ปฏิบัติอยู่ก็จะรู้สึกว่า บางทีทําสมาธิมันก็จะมีแรงแต่ว่ามันจะรู้มากบ้างน้อยบ้างอันนั้นยังถูกถูแล้วล่ะมันเป็นอย่างนั้นมันบังคับไม่ได้แล้ ว, แ ล, วแล้วเวลาตื่นนอนก็ก็สังเกตดูจิตตัวเองเลยเหมือนที่หลวงพ่อบอกอะค่ะก็ไม่เห็นอะไรแต่รู้ว่าจิตมันเบาเบาแต่ว่าไม่เห็นไม่าต้องดูอย่างนั้นตรงนั้นน่ะ<ๆ>มันมีรอบเกิดละมันอยากรู้ มนะมันอยากรู้ก็เลยเกิดการสังเกตนะเราดูไม่ทันตรงนั้นนะมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วงั้นะนะมันอยากจะรู้ว่าจิตเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยรู้ว่าอยากนะรู้ไม่ทันตรงนี้ไม่ออกไปดูเอาไปดูนี่คือจงใจดูจิตนี้มีความแปลกอย่างหนึ่งถ้าจงใจดูจะไม่เห็นมันจะโล่งๆว่างๆไม่มีอะไรให้ดหูมันจะมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูเมื่อมันกระทบอารมณ์ เมื่อตาเห็นรูปจิตจะเปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตจะเปลี่ยนใจคิดจิตจะเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นอยู่ๆตื่นนอนขึ้นมาอยากดูว่าจิตเป็นไงไม่เห็นแล้วจงใจไปดูจะว่างๆนะมันจะไม่เห็นให้ให้สังเกตเป็นเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เท่าที่รู้อย่างนั้นเท่าที่รู้นะ แต่สังเกตเธอมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเสมอมันไม่ว่างจริงที่มันเกิดอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ก็รู้เอาแล้วเวลาที่บางครั้งมันว่างจนเรารู้สึกได้ว่ามันว่างก็ไปรู้ที่กา ย, ยามันว่างแล้วถ้าจะดูจิตต่อนะก็จะเห็นนะาจิตเริ่มไม่สบายใจที่มันว่างเอ๊ไม่รู้จะดูอะไรดีเนี่ยรู้ว่าจิตกําลังเอไม่รู้จะดูอะไรดีแล้วจิตกําลังหลังเลสงสัย ่ถ้าจะดูจิตต่อนะแต่ถ้าดูไม่รู้เรื่องจริงๆมาดูกายเห็นกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของคุณพานามันละเอียดมันค่อนข้างไปทางอารมณ์ที่ละเอียดมันมองยากมันเลยดูรู้สึกเหมือนไม่มีอารมณ์ให้ดูที่จริงมีอย่างสงสัยอะไรเงี้ย น, นะความสงสัยจะแทรกขึ้นมาก็จะเที่ยวคนขวา แล้วบางครั้งถ้าเห็นเป็นแค่เส้นบางๆอย่างนั้นก็คือก็รู้ว่าเป็นเส้นก็รู้แค่นั้นแหละเห็นเส้นนั้นแล้วใจเราเป็นยังไงใจเราสงสัยว่าจะทำยังไงต่อดีนะอะไรเงี้ยมันก็รู้ทันที่ใจเส้นนั้นไม่ใช่ใจอันนั้นเป็นของถูกรู้มันก็เหมือนหมาเหมือนแมวตัวหนึ่งมาวิ่งให้เราเห็นเท่านั้นเองแล้วเราพอดีมีวันหนึ่งไปสวดกราบพระแล้วก็สวดมนต์ค่ะ พอดีกําลังสวดมนต์ไปเราอยู่ๆจิตมันมันมันนิ่งแล้วมันนิ่งเหมือนลอยลอยควางคว้างเออรู้ว่าวนิ่งนิ่งลอยลอยควางคว้างดูอย่างนั้นแหละแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของเขาเห็นไหมจิตมันนิ่งได้เองอตรงนั้นก็สอนอนัตตาจิตมันเป็นเองเนี่ยเขาไม่ใช่เราเขาเป็นเอง แม้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะกับจิตใจเนี่ยพยายามมองใจรักหรือไม่ก็มองตัณหาความอยากที่แทรกเข้ามาแล้วเราไม่เห็นนะแล้วถ้าเห็นสภาวาะแล้วก็ดูในมุมของใจรักเอย่างว่างๆรู้ว่าว่างๆเนี้ยว่างนี้เราไม่ได้ทําขึ้นมามันเป็นเองไม่ เ, เดืออยู่ในอํานาจบังนคะับหัดดูใจรักไปเพอร์สิบห้า อยู่ด้านนี้อตอนนี้มีวินัยมากขึ้นแล้ดีแล้วก็หลวงพ่อชอบบอกว่าเวลามันมีความทุกข์เวลาดูลมหายใจมันก็จะมีความทุกข์ต้องหายใจออกมีความทุกข์ต้องหายใจเข้าแต่มันยังไม่เห็นนะคะก็เลยคิดนำไม่เห็นก็ไม่เป็นไรดูไอ้ที่เห็นนั่น ในร่างกายนั่งแล้วเมื่อยไหมหนึ่งเงี้ยเดินนานๆแล้วเมื่อยไหม<ะ>หดูความทุกข์ดูของจริงๆนะถ้าเราจิตเราไม่ละเอียดพอจะเห็นการหายใจเป็นทุกข์เราก็ดูตัวอื่นดูตัวที่ชัดๆรู้สึกมันหยาบไปหมดเลยที่เห็นใช่ได้ะจะหยาบแค่ไหนนะทุกสิ่งที่หยาบนั้นแสดงไตรลักษณ์ะละเอียดแค่ไหนทุกสิ่งที่เห็นนั้นก็แสดงไตรลักษณ์ แสดงสิ่งเดียวกันเราต้องการเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ต้องการเห็นของหยาบหรือละเอียดเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานท่านจะสอนนะภายในภายนอกอยาละเอียดนะที่ใกล้ที่ไกลเท่าเทียมกันนะแล้วอะไรคือจริตของหนูอะคะหนูฟุ้งซ่านช่างคิดเพะฉะนั้นหนูคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถ้าดูความรู้สึกไม่รู้เรื่องก็เห็นร่างกายมันกระยุกกรยิกไปเรื่อยๆ ของหนูมันจะมีตัวหนึ่งนั้นเป็นไฮเปอร์แอคทีฟมันจะเป็นอยู่แล้วเพราะงั้นจะให้มันนิ่งสงบเหมือนคนอื่นนะไม่เปลี่ยนหรอกก็ไม่ต้องตกใจนะเราดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแค่นั้นก็ใช้ได้ขอบคุณค่ะเบอร์ยี่สิบเก้านี่อยู่กลางห้องใจเต้นตุบตุบตุบตุบเนะ สึกไม่น่าเลยมีวัสงฆ์ค่ะหลวงพ่อว่าไปบางทีเวลาที่เราแบบมองแขนมองขาเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกก็แบบมันไม่ใช่ไม่่ใชเราอมันไม่่ใชเราป็นวัตถุอะไรสักอย่างค่ะดูสามารถที่จะแบบดูอย่างเงี้ยเล่นๆเรื่อยๆได้ไหมนะคะได้เป็นการดึงจิตออกจากขานไม่เป็นไรเป็นการสอนจิตให้หัดดูความเป็นอนัตตาของร่างกาย แล้วก็เวลานั่งสมาธิอะค่ะแบบไม่ว่ามันมันจะมืดมัวหรือว่ามันจะสว่างมันก็จะเห็นมันไหวไหวตลอดหมายถึงว่าแบบบางทีมันไหวทีกว่าจังหวะหายใจอ่ะอืมถูกแล้วก็ดูมันทำงานอย่างนี้ไปไเรื่อยๆดู ม, ม, มัน <ๆ S 1> ทางานนะเวลารู้รู้ห่างๆอย่าให้ใจไหลลงไปจมลงไปใอ้ตรงที่ไหวไหว <ฮะ S 1> ใช่ได้ดูอย่างนั้น มีอย่าเอื่นที่หนูต้องเพ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อให้การพาวนาก้าวหน้ากว่านี้ไหมคะรู้ปัจจุบันไป เ, เรื่อยๆรู้บ่อยๆสามสิบสี่คุณค่ ะ, <34 S 1> คะเสียงอะไรเสียงหมาที่ฝังไว้ร้องีเสียงอะไร <c oughs> ตอนหมามันวิ่งหมามันตายไปตวงเมื่อวาน อยู่ตัวเดียวแหละไม่ต้องมาเพิ่มนะเราในวัดเนี่ยรอเวลานี้มาสิบกว่าปีแล้วมีหมาเนี่ยควจะภาวนานเดี๋ยวก็หอนเนี่ยนะสติก็แตกอีกแล้วกลัวหมาหอนอะไรเงี้ยเอาว่าไปอยู่ไหนละกราบน้ำส ก, การครับหลวงพ่อคืออยากสอบถามเรื่องการปฏิบัตินะครับคืออ่ ในระหว่างที่ปฏิบัติอนทังสมาธิครับผมจะใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งครับแล้วก็คอยดูจิตที่มันเคลื่อนไปแล้วตามรู้มันโอใช้ได้ครับแล้วก็ระหว่างวันผมก็จะถ้ารู้สึกตัวก็จะกลับมาใช้กายเป็นที่ตั้ง อ, อยากทราบว่าที่ทำอยู่ถูกหรือเปล่าครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมล่ะครับค่อยดูไปเรื่อยๆใช้ได้ ครับแล้วก็บางครั้งบางข่าวที่จิตมันหลุดไปผมไม่สามารถแยกได้ว่ามันคือราภะโทสะหรือโมหังแยกไม่ออกก็ไม่ต้องแยกก็รู้ว่ามันเกิดดับไปเลยใช่ใชแค่นั้นพอที่จริงต้องการแค่นั้นนะไม่ต้องรู้ว่ามันยี่ห้ออะไรหรอกครับผมเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปต้องการเท่านี้เองครับในธรรมจักกับพวัตนสูตรเนะีย เ่านกสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาครับนะที่ท่านแสดงเมื่อวานอาสันหัะนะครับก็สุดท้ายขอกับให้หลวงพอ่อดีคุณไม่ออกเลยกราบขอให้หลวงพ่อที่เคยร่วมเกินทางกายทางวาจาใจด้วยนะคะออนะรับรับทราบนะแล้วทีหลังก็ใหญ่รุ่งเกินอีก ขอบคุณครับร่ำเกินแบบนี้ไม่เท่าไหร่นะมันมีร่ำเกินอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้จะแก้อย่างไงเลยอย่างเขียนด่าหลวงพ่อไว้ในอินเทอร์เน็ตะทุกคราวที่คนไปอ่านเนี่ยนะมันมีบาปเกิดขึ้นทุกทีแล้วไม่รู้จะทํำยังไงก o เกิลมันใส่เอาไว้เจ้าตัวก็อยากจะลบก็ไม่รู้จะลบยังไงนั่นลําบากนิดนึง 第十四十，一，啊，我再过几天就要回中国去了，然后请龙波再指导我的禅修，然后看我回国后要怎样用功修修行天 เขาไม่กี่วันจะกลับไปจีนแล้วเขาอยากจะขอคำแนะนาจากหลวงพอ่อครับธรรมะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเราเองอย่างคนไทยเนี่ยถ้าไม่ดูกายดูใจก็มไม่เห็นธรรมะเราอยู่เมืองจีนคอยดูกายคอยดูใจมันเป็นยังไงรู้ลงปัจจุบันไปเลยแค่นั้นก็เป็นธรรมะแนละ้วคอยรู้สึกตัวคอยดูร่างกายจิตใจ แล้วความรู้ความเข้าใจมันจะเกิดเองจิตมันจะ พ, พ้นทุกไปเองมันเป็นของมันเองเราทำต้นทางให้ถูกปลายทางมันจะถูกเองต้นทางก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปอย่างที่เขาเป็นข้อแรกจะทราบว่าที่เขาทางหยุดต้นทางถูกไหมครับ แต่ตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกหน่อยหนึ่งจิมออกข้างนอกหายใจแล้วรู้สึกตัวอย่าดึงแรงถ้าดึงแรงเัียะแน่นถ้าแน่นแน่นแล้วอึดอัดนะแสดงว่าบังคับมากไปถ้าใจลอยออกไปดูกายดูใจไม่รู้เรื่องอันนี้ย่อหย่อนไปนถ้าไปดึงมาจนมันแน่นแน่นเนี่ยตึงเครียดไปใครค่อยๆรู้ไปเรืเ่อยๆไม่ค่อยปรับให้พอดี มันเป็นเองนะมันพอดีของมันเองแล้วเวลาจิตใจเราหนีไปคิดเราก็คอยรู้ทันจิตหนีไปคิดนคนนี้เขาดูออกเวลาจิตไหลไปคิดเพราะงั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะอยู่ที่ร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้จะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วคอยรู้เวลาจิตมันไหลไปแล้วมันจะก้าวหน้าเร็ว <S <S เบอร์นหนึ่ง l o n g h o I was uh, last week. I was uh, watching my leg, and it was like it was a leg of a stranger. And then my mind was so frightened that it tore back, and it could see. My mind could see that it was my mind again. So it was a change of view. He asked that he went to bathe, and he saw the leg. ขาคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตกใจเขาพยายามบอกว่าเนี่ยขาเขาขาเขาอย่างเงี้ยครับ ม, มีสติ่เรื่อยๆนะพอมีสติเรื่อยๆแต่แปมันจะรู้ว่าไม่ใช่ขาเราแล้วร่างกายนี้ทั้งร่างกายเขาไม่ใช่เราเรายืมวัตถุยืมธา ต, ตุต่างๆจากโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องคือเจ้าของเดิมเราแค่ยืมมาใช้เหมือนบ้านเช่าเท่านั้นเองร่างกายเนี้ย ตอนแรกเราเห็นเราหลงมานานอยู่บ้านนี้มานานเรานึกว่าบ้านเราจริงๆพอเรารู้ว่าไม่ใช่บ้านเราแล้วตกใจจะคอยดูไปด้วยร่างกายนี้มันเหมือนบ้านเช่าถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของดูความจริงไปเรื่อยๆนะต่อไปพอเรารู้ตัวนี้แล้วเนี่ยพอร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บป่วยร่างกายมันจะตายอะไรเนี้ย จิตใจเราไม่หวั่นไหวมันคล้ายๆเช่าบ้านเขาอยู่บ้านจะพังแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ใช่บ้านเราถ้าบ้านเราเราก็เดือดร้อนงั้นพอเราภาวนาจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะ <c oughs> เราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกะร่างกายใชะแก่จะเจ็บจะตายนะเราจะไม่ทุกข์อีกแล้วถ้าเราดูไปเรื่อยจนกระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะเราจะไม่มีความทุกข์เพราะทางใจอีกแล้วนะ เจอคนนี้ไม่เจอคนนี้เจอคนนี้ไม่ชอบก็ทุกขนะ์ไม่ได้เจอคนที่เราชอบก็ทุกข์อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราภาวนามากๆเนี่ยเราเจออะไรหรือเราไม่เจออะไรเราก็มีความสงบสุขอยู่ได้ตลอดนะค่อยๆฝึกนะใครเป็นคนแปลเบอร์สองเรามี คนแตงมากเลยนะคนแตงอังกฤษเป็นไทยคนหนึ่งคนแต่ไทยเป็นอังกฤษอีกคนหนึ่งเอาว่าไปเบอร์เบอร์สองหลงบอ The past six months I start to lose interest in many activities in daily life I especially worry I lost my love for teaching I really Um, love for teaching, but now I feel I lost that interest. So I just want to ask for some advice for my practice. Thank you. He asked that about six months that passed, he lost interest in things around him, and he lost interest in his job too. Laziness is not a good thing. Don't think that you have to be lazy. We have a job to do. We have to do it. We should be more interested. จะไปอะไรอลไก็ไม่ยึดถือแล้วใจเหี่ยวแห้งเลไไม่ใช่อย่างพระพุทธเจ้านะไม่เคยขี้เกียจเลยทำงานตลอดชีวิตเลยทำงานอย่างมีความสุขทำประโยชน์ให้คนอื่นด้วยเน้นถ้าเราพานาแล้วจิตใจแห้งแล้งเหี่ยวแห้งท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองความเหี่ยวแห้งใจเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาให้เรารู้ทัน มันจะรู้ออกอยากใจเราใช่เราจะสดชื่นเพราะฉะนั้นจิตใจเหี่ยวแห้งเฉาไปให้รู้ทันพอ ร, รู้ทันแล้วใจมันจะสดชื่นขึ้นมาแล้วก็มีหน้าที่ต้องทําอะไรเราก็ทําให้ดีที่สุดชาพุทธไม่ใช่คนหนีโลกนะชาพุทธอยู่กับโลกแต่อยู่แบบเข้าใจโลกอยู่อย่างเข้าใจมันจะไม่ทุกข์ ถ้าอยู่อย่างไม่เข้าใจมันจะทุกข์อย่างคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เราจะควบคุมได้ในความเป็นจริงไม่มีใครควบคุมได้หมดละนะเอาเดี๋ยวแยวแถมมีคนหนะึ่งสามสิบเอ็ดคนนี้ไตรตรองนานกว่าจะยกหรือยกหลวงพ่อไม่เห็นตะกี้นี้ ธรรการครับหลวงพ่อวันนี้ได้มาส่งการบ้านอีกครั้งที่สองครับอืครั้งแรกหลวงพ่อให้กลับไปทําใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนครับอืมเย็นลงแล้วละ่ะรู้สึกเปล่าครับรู้สึกครับเออเย็นแล้วก็สบายสิร้อนอยู่ลุกลี้ลุกลนภาวน า, นามไม่ได้หรอกครับใช่ครับแต่ไปนี่ก็ดูไปดูกาดูใจเขาทางานไปนะครับดูแบบไม่หวังผลว่าจะได้อะไรดูใจเย็นๆครับน ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะครอบความรู้สึกตัวถูกแล้วครอบจิตอยู่กับฐานใช้ได้ครอบเห็นขันแยกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครอบแยกได้ดีกว่าครั้งที่แล้วครับดีสีเมื่อก่อนมันลุกลี้ลุกลมอยู่ไม่ได้เรื่องอะไรใช่ครอบแล้วเห็นไหมขันไม่ใช่ตัวเราร่างใา่ไม่ใช่เราใช่ครอบความรู้สึกเนืกคิดไม่ใช่เราครอบ เหลือจิตอันเดียวยังเป็นเราอยู่ใช่ครับใช่จิตออไม่มีผิดหรอกพอ <c oughs> น, นี้กำลงังหลวงพ่อรู้หมดเลยครับก็ลังจะบอก อ, อไม่ต้องบอกมั น, มนหมดเวลาก็เลยบอกแทน <c oughs> <c oughs> อ้าวไปทำต่อครับ <c oughs> เชิญอาจารย์พรนพดลหลวงพ่อวันนี้มีบุญนะอาจารย์มาตรวจให้ถึงวัดเลย ไม่ต้องเข้าสิริราชท่านที่มาจากอุบลมีอะไรจะคุยไหมครับไม่มีนะงั้นเลิกเลยจ้ะจ้ะ